บุ๊กทูห้าสิบหกกหิความรู้สึกบุญลักษะมีความรู้สึกต้องการอยากเรามีความรู้สึกเราต้องการเราอยาก เราไม่มีความรู้สึกเราไม่ต้องการเราไม่อยากาเราไม่ได้รู้สึกลัวเผื่อว่าผมกลัวยายแอบพังผมไม่กลัวยายไม่ได้แอบพัง มีเวลาหเวทีเขามีเวลาฮันมีเวลเขาไม่มีเวลาฮันมเวลาเ่ีเวลีเเ่อเวลีเวลเไม่เวลเเไม่อเนเข่ี่ คุณคิดอะไรไมเกหิวเบอรสุลนคุณหิวไหมเออสุลนคุณไม่หิวหรือออใอเกสุลตันกระหายน้ําบอร์รสพวกเขากระหายน้า Die พวกเขาไม่กระหายนา้ําีเอร์ทอร์สติเยร